คลองร่างคลองโลกใจจึงควรได้รับการอบรมศึกษาไปตามเหตุตามผลซึ่งเป็นแนวทางที่ชอบทำเพื่อจะเรีนํา น, นั้นออกแสดงออกมาเพื่อเป็นกิจการงานที่ชอบทำการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการอบรมโดยเหตุโดยผลที่เรียกว่าทำํำแล้วย่ยอเป็นไปด้วยความราบด้วยดีงามทุกอย่างไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจนี้ทั้งนั้น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 เราไม่รู้ก็ทําทให้อยากทําทําแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเรงความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นต่อนเนื่องกันเป็นลำดับไม่มีที่สิ้นสุดมันยากย ก, ยกของหนักคือจิตใจยกได้แล้วก็พ้นจากสิ่งที่กดท่วงคือสิ่งที่หนักมากๆนั้น มันเป็นสิ่งที่สามชาเร็วชานั้นออกไปได้โดยลําดับจิตก็ยกขึ้นงาน่ายจะยกใส่ความภาคความเพียรยกใส่สติปัญญาอะไรก็ยกได้งานาน่ายเพราะเป็นอัดเป็นทำไปแล้วอัดทำเป็นความละเอียดควมภพีรภาพสุขุมควมภพีรภาพมากเมื่อจิตกับธรรมเขาเขามีความเกี่ยวเนื่องกันเข้าไปโดยลําดับแล้วจิตก็ย่อมเบาจะทําอะไรก็ง่ายขึ้นชื่อว่าความดีความชอบแล้วและในระหว่างที่จิตจมอยู่กับ ความนักหน่วงทวงใจนั้นแหะมันยกอะไรยากสู้จมอยู่นั้นไม่ได้ในความรู้สึกคือความจมมันมีธรรมชาติที่ให้จมนั้นมันมีน้ําหนักมากกว่าเที่ยวก็เหมือนกับว่าไอแม่เหล็กเศษเหล็กเล็กๆน้อยๆวิ่งเข้าหาตัวเหล็กหมดตัวแม่เหล็กหมดเพราะนั้นมันมีกําลังมากดึงดูดเรื่องที่เหล็กท่หาอาสาะก็มีอำนาจ ด, ดึงดูดจิตใจให้เข้าฝังจมอยู่ภายในตัวเอง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 สติก็ใช้ปัญญาก็ใช้ความอุตสาห์พยายามก็หนุนเข้าไปความอดความทนหนุนเข้าไปด้วยเหตุด้ดดวยผลว่าการทําลงไปนี้ไม่ใช่ทําเพื่อความโล่งจงเราทําเพื่อจะถอดทนถอ ด, ถ อ, ดถอนตนอนอกจากความลูกจากที่ลุ่มลึกมันเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์ความลําบากทรมานมาเป็นเวลานาด แม้จะลำปากลำคาญเพียงไรเราก็จะต้องตะเกียบตะกายเพราะไม่ต้องการที่จะจมอยู่ในสิ่งสกปรกโสโมมซึ่งเป็นก ล, อลนนนอก่องทุกข์ล้น้วนนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงคิดอย่างนี้เหมือนกันก่อนที่จ ะ, สะเสด็จสละนิราศสมบัติสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายออกทั้งทั้ง ท, ที่โลกทั้งหลายก็ชอบใจกันทั้งนั้นไม่มีใครสามารถจะทําได้แต่พระองค์ทำไมจึงทําได้เช่นนั้นเพราะความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นสําคัญต้องพยายามตัด ลูกใค ร, รใครจะมารักเมียใครใครจะมารักสมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างล้นแล้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่มีมีคุณค่าในหัวใจมนุษย์ทั้งนั้นแม้ตัวเองก็ต้องมีถือว่ามีคุณค่าจิตใจเองต้องมีคุณค่าและไม่อยากจะได้รับความทุกข์ความลําบากในการเสียสละในการประพฤติตนเพื่ออัดเพื่อทําโดยถือว่าเป็นความลําบากไม่อยากสละจิตไปเพื่อความลําบากเช่นนั้นแต่พระองค์ก็ยังต้องทรงเสียสละ เสียสะละจนกระทั่งเหมือนกับว่าโลกวันไหวไปเลยมันเหนียวแน่นขนาดไหนที่เลดูเลยเหมือนกับโลกธาตุวันไหวเวลาเสด็จออกไปทรงพนวดแล้วมีใครจะมีความสามารถอาหารมีความภาคเพียรความอดความทนดังประพูดไถ่เจ้าเพราะฉะนั้นาศาสนาจึงเกิดขึ้นมาจากทุกแน่ทุกมุมแห่งความดีทั้งหลายที่จะเป็นตัวอย่างแก่โลกได้เป็นอย่างดียิ่ง อยงที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่ามันชีกเย็นั่งไปบวชเสียดีนั่นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ในช่างส้วมในช่างห้องน้ํำนี่ศาสนาไม่ใช่ห้องน้ําห้องส้วมหลุมเทมุดเทคู่ไปเทใส่ใส่อย่างนั้นไดงไงอุตุเลื่ความภาคความเพียนความเสียสละความเบความทนทึ้งเป็นทั้งตายแล้วจะมีใครก็เปินพระพุทธเจ้าไปได้นั่น เนี่ยต้นเหตุที่จะได้ทำอันประเสริฐเลิ่นโลกมาประกาศสอนโลกทั้งหลายท่านได้มาด้วยวิธีนั้นฉะ น, นั้นการที่จะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลาดับซึ่งมันสังจมมาเป็นนานจึงต้องอาศัยความภาคเพียรอยากเต็มกำลังความสามารถขาดดินของเราไม่ยอมลดละไม่ยอมถอยหลังถ้าถอยลงไปก็ต้องจมนะัไม่ถอยละก ไม่จบคือพลันขึ้นมาได้โดยลํำดับ ๆ, ๆแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ร่างกายของเรานี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแหละถ้าไม่พาทําประโยชน์เสียตั้งแต่ในเวลานี้ตายแล้วจึงยุ่งกันโอ้โหยุ่งมหายุ่งมันนี่มันดูไม่ได้เนี่อ้เรื่องตายนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากยุ่งกันไปหมดทั้งคนทั้งคนเป็นนะยุ่งมากคนตายก็ไม่สู้เท่าไหร่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 จากสกุลกายนี้ก็ไม่ค่อยจะสนใจเวลาตายแล้วจะให้ร่างกายนี้เป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์ได้มากน้อยอะไรถ้าไม่พาทําไปตั้งแต่บันฑินทําให้มันพอแล้วตายแล้วแบบทิ้งเท่านั้นเองเป็นประโยชน์อะไรถ้าเป็นประโยชน์มันจะตายไต่ทาไมมันไม่เป็นประโยชน์มันหมดกําลังความสามารถที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วมันถึงตายทิ้งลงไปอันไหนที่เป็นสาระสําคัญซึ่งได้จากการกระทําจาก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 ร่งฐานร่างานร่งางกายของเรานี้มีความจําเปน็นมีตลอดเวลาอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องมีเครื่องนุ่งเครื่องหม่มปกปิดสกุลกายมีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยเครื่องสนับสนุนอาหารการบริโภคเต็มไปหมดดูจะไม่กําหนดกดเจนว่ามีมากเพียงไรมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนั้นสัตว์ก็ไม่ค่อยมีอะไรละผ้านุ่งผ้ า, าหม่มเขาก็มีที่นอนหมอนมุ้งเขาก็จะมีอยูยาแก้ไข้เขาก็จะมี เขาก็เป็นสัตว์มาได้แต่มนุษย์เรานี่ถ้าพูดอย่างหนึ่งก็อ่อนแอมากกว่าสัตว์ไปที่ไหนพลุนพลังด้วยเครื่องนู่งหมด้วยเครื่องอยู่เครื่องกินเตรียมมันไปเต็มที่เต็มฐานกลัวแต่จะตายอยู่ยาปลาแป้งอะไรเอาไปหมดดุ้งไปหมดเนี่ยถ้าพูดอย่างหนึ่งอ่อนแอกว่าสัตว์ก็ได้นี่เราพูดในแง่ที่จะเป็นประโยชน์แก่เราให้ใจของเราอดหานแล้วไม่จะตําหนิสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทํานี้เป็นความชอบทำแล้วสําหรับมนุษย์ที่ทําเช่นนั้นเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์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 พแผนการกล่าวนี้จึงกล่าวเพื่อทางด้านจิตใจโดยสําเป็นสิ่งสําคัญมากเพื่อให้ใจในเดสะดุ้งตัวให้ตื่นเนื้อตื่นตัวดังพระกรรมาฐานท่านเที่ยวอยู่ในตามป่าตามเขายกตัวอย่างเช่นสั้นจันมั่นเป็นต้นหยกยาท่านไม่ติดเนื้อติดตัวไปเลยเวลาเป็นอ้าวโรคนี้เวลาจะเป็นมันมาจากไหนนี่มันก็เกิดขึ้นภายในร่างกายเป็นเจ็บ่ายปวดหัวก็ตามมันกเกิดขึ้นที่นี่เวลาหามจะไปหาอยกหายามมาจากที่ไหนเนี่ย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 กลัวนัอ่อนแอนักทันฟิตใจของท่านเอาที่สู้สัจธรรมเป็นธรรมโอสถเป็นเครื่องแก้ไม่ให้จิตใจลุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้อันจะก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองอันก็พิจารณาจนกระทั่งถึงทราบเรื่องเหตุเรื่องผลทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายตลอดโรคภัยไข้เจ็บหายไปเลยก็มีดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติศาสตร์เอาเื่องว่าโรคภัยมันไม่หายไปก็ตาม เรื่องจิตใจนั้นต้องต้องมีความเข้มแข็งมีความเฉลียวฉลาดต่อวิธีการปฏิบัติต่อตนเองซึ่งเกี่ยวกับโรคแพ้แค่เจ็บเป็นพิเศษผิดกับคนธรรมดาอยู่มากมายนี่ก็เคยได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาเช่นเดียวกั น, นเวลาเก็บไขได้ปวดมากๆแล้วห้ามไม่ให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าสมมุติมีอยู่กับหมู่กัเพื่อนนี่นก็ปิดประตูแล้วบอกทันทีห้ามอย่างขาดเลยว่าใครจะมาแตะต้องใครจะมาเปิดประตูไปรังขาถ้าไม่ ประตูนี้ไม่เปิดห้ามไม่ใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะคือวันนี้จะต้องพิจารณากันอย่างเต็มภูมิเต็มฐานทีเดียวเพราะว่านี่ก็เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ทุกขเวทนาที่เราเคยเกิดเพราะการนั่งพอนาน ม, มาตั้งหลายหายชั่วโมงเรายังสู้ได้ยังพิจารณาแทงทะลุ ป, ปู่ปลงไปได้ได้เหตุได้ผลได้อาจจะทําได้ความเฉลียวฉลาดได้ความศักดิ์ศักดิ์สิทธ์ที่สําคัญขึ้นมาภายในจิตใจเราแต่ละครั้งละครั้งไม่เคยพลาดไปเลยแต่นี้เวลาเจ็บไขยได้ปวดนี้ เราจะปฏิบัติอย่างไรน่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นเราจะปฏิบัติทางไหนไม่มีทางหลีกเว้นได้เพราะร่างกายนี้เป็นที่เกิดขึ้นแห่งโรคตัติปัญญาเป็นเครื่องพิจิตรพิจารณาความจริงซึ่งเกิดขึ้นโรคแต่และชนิดที่เกิดขึ้นต้องทําให้เกิดทุกเวทนาทุกเวทนานั้นเป็นสัจธรรมเราไม่พิจารณาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับเรานี้เราจะพิจารณาอะไรเรากลัวสัจธรรมแล้วก็เท่ากับว่าเรากลัวขี้เล็ดเราก็สู้ขีเหล็ดไม่ได้ ถ้าเราพิจารณาใจธรรมให้เข้าใจแยมแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ชื่อว่าเรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้โค้นลงไปทีเดียวทุกเกิดขึ้นมาจากไหนเป็นที่ตรงไหนคค้นลงไปพค้นลงไ ป, งไปหมุนติ้วติ้วเลยจิตจนกระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะที่เจ็บหนัหนกๆหายออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวออกไป เพระสติปัญญาไลาต่ต้อนเข้าไปโดยลําดับไล่ต้อนหาความจริงเจอความจริงที่ตรงไหนทุกเวทนากระจายออกกระจายออกกระจายออกเห็นอย่างชัดเจนภายในใจจนกระทั่งร่างกายทุกส่วนที่เป็นกองทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากการเก็บไข้นั้นหายไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆแม้แต่ร่างกายที่ปรากฏตัวอยู่ในขณนะนั้นพร้อมกับทุกที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นเหมือนกับว่าจะแยกกันไม่ออกก็กลับหายไปอีกทั้งร่างกายก็หายไป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 ดูตามความจริงของตนนี่อยาหายหมดเรื่องความที่จะคิดถึงอยู่ตุกอย่างคิดไม่ได้ไม่คิดคิดไปไหนคิดไปแล้วมันก็ไม่มีอย่าไปคิดให้เสียเวลานะคิดที่ตรงนี้ตรงที่ควรจะให้คิดนี้ทุกเกิดที่ที่ตรงนี้พิจนามากน้อยเกิดที่ตรงนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดที่ร่างกายนี้พิจารณาที่ตรงนี้สติปัญญาก็มีอยู่ที่นี่ค้นกันลงที่นี่หนาหุ่นที่อยู่ที่ลงไปพอได้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 เพราะอำนาจของสติปัญญารอบตัวหากว่าจะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสุขขโต น, นี่ทำให้เบาก็ได้อย่างนี้กิจทำให้ฉลาดก็ได้ทำให้โง่ก็ได้แล้วแต่ผู้ที่จะปฏิบัติแก้ไขตัวเองอย่างไรจะพให้จมจมตั้งกับตั้งกันก็จมอยู่ได้ไม่มีวันอิ่มพอในความจมจมในวัฏสงสารคือความเกียดกเกิดแก่เจตายนี้อิ่มพอที่ไหน ถ้าอิ่มพอแล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะบำเพ็ญธรรมเมื่อมันเกิดตายเกิดตายด้วยความทุกข์ความลำบากตามภพชาติต่างๆนั้นมาพอตัวแล้วมันก็พ้นตัวไปได้เพราะมันอิ่มพอแล้วแต่นี้ไม่มีความอิ่มพอเกิดเท่าไรตายเท่านั้นตายเท่าไรเกิดเท่านั้นเพราะสิ่งที่จะทําให้พระเกิดก็คือกิเลสกิเลสมีความพอตัวเมื่อไหร่ไม่เคยมีความพอตัวนัดติดตัญหาสมานาทีแม่น้ามหาสมุทรทะเลหลวงอะไรก็สู้ความอยากของกิเนี้ไม่ได้ความอยากนี้ ก็คือกิเลสนั่นเองมันมีความพอตัวที่ไหนถ้าเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้พอตัวแล้วกีกลับกีกันก็ไม่มีหวังไม่มีฝั่งมีแดนพอที่จะปีนขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้พยายามแก้พยายามคืบคลานพยายามบึกบืนพยายามต่อสู้สลัดปัดออกพอจะพ้นหาฝั่งหาแดนที่เป็นความพ้นทุกข์ไปโดยลําดับลําดับด้วยศรัทธาความเพียรมีสติ ป, ปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญ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 นอกจากจะใช้สติปัญญาพิจารณาดังที่ว่านี่นั่นแหละศาสนาจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งกับมนุษย์ผู้ต้องการความบุดพ้นจากความจองจําทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปได้โดยลําดับๆจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะนําศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือดําเนินเป็นขั้นๆทีเดียวเพราะกิเลสมีหลายขั้นท่านจึงสอนมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาทานเพื่อประโยชน์อะไร เพืจะเสียสละเพืจะตัดความตนเหนียวเน่ยซึ่งเป็นกิเลสตัวสําคัญอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของเราตัวหนึ่งแล้วจะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่รับเสียสละจากเราเช่นการให้ทานทานก็แปลว่าการให้ทอดออกไปจากตัวของเราดึงออกไปจากความเป็นสมบัติของเราความตนหนีเหนียวเน่ยของเราดึงออกจนมันขาดสละทานไปได้มากน้อยเพียงไรผู้ที่รับทานนั้นก็รับความสูกความสบายเรา กำจัดความตเ น, นี่ยแน่นออกหน้าแล้วก็มีความผาสุกเย็นใจมันมีความเย็นใจได้ทั้งสองลายคือเป็นความสุขความสบายได้ทั้งสองฝ่ายผู้ได้รับการสงเคราะห์เราผู้นั้นก็มีความสุขเราที่เสียสละเราที่ตัดขาดแต่ความตเ น, นี่ยแน่นอันเป็นสิ่งที่กดท่องจิตใจอยู่มากมายนี้ออกหน้าแล้วก็เป็นสุขท่านทาะสอนแบบนี้นี่เป็นการปราบกิเลสทางนั้นการทําอันใดที่พุทธเจ้าทรงสอนแล้วต้องมีความหมายทุกสิ่งทุกอย่าง ศีลก็เหมือนการระงับดับกิเลสประเภทหนึ่งออนั่นกับภาวนาภาวนานี่เป็นสิ่งที่รวมยอดที่จะฆากิเลสทั้งหลายรวมตัวเข้าไปนังที่เคยสอนแล้วภาวนาก็คือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองที่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอในเวลานี้เราพูดเรื่องความจริงไม่ได้เพราะจิตเรามันเที่ยวตำหนินูนตำเนิยนี้หาความจริงในตัวเองไม่ได้เลย ว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นอย่างนี้ตําหนิเขาวันยังคําคืนยังลุงแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรหากตําหนิอยู่เช่นนั้นเรียกว่าจิตมันตรอมไม่มีความจริงเราเองจึงจะชมสิงใดว่าจริงไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปการปฏิบัติจึงควายพิยาควายสอดส่องดูเฉพาะอย่างยิ่งร่างกาย จ, จิตใจจิตใจมีความปรุงพร้อมแต่งไปอย่างไรบ้างไปทางไรบ้างหนักเบาในทางไหน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 แต่ความต้องการให้รู้ความกิงนั้นเป็นเรื่องของธรรมให้รู้ด้วยปัญญาพิจิตริจนาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจน แ, แล้วมันจะแยกตัวกันออกเองโดยไม่ต้องสงสัยจารย์าศาสนาท่านสอนให้มีความเข้มแข็งให้ปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัวเองเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ไม่มีอันไหนมีแต่กิเลสล้วนๆมีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องกดทรวงจิตใจของสัตว์โลกให้รับความทุกข์ความลําบากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นทุกข์เพราะอะไรเลย ความทุกข์พอดินฟ้าอากาศนั้นมันไม่กระเทืนอนจิตใจแต่เรื่องของกิเลสนี่กระเทือนมากกระเทืนอนจิตใจอะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างถ้าจิตใจเรามีความผาสุขด้วยอัตยธรรมแล้วเราพออยู่พอเป็นพอไปทั้งนั้นแต่ถ้ากิเลสมันเดือดร้อนวุ่นวายมีความกระเสือกสนกังวนกบวายเออความทะยอทยานด้วยความอยากความมีหัวเป็นเครื่องราวบีจิตใจอยู่แล้วจะมีอะไรมากมาย ก, กับกองมีกองเงินกองทองเท่าภูเขามันก็หาความสุขไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวทุกข์จะเอาความสุขมาจากไหน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 คนตัวอยู่นั้นนะ่ะเราจรึงได้มองเห็นความวุ่ของเราอยู่ตลอดเวลาเลยถ้ า, าว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นา ม, มันคงแล้วจิตนี้แหลกไปนานแล้วไม่มีจิตอยู่ในร่างคนและร่างสัตว์เลยแต่นี่ก็มีเพราะความทนทานของจิตเพราะฉะนั้นสาระสําคัญจึงอยู่ที่จิตต้องพยายามดัดแปลงแก้ไขปราบปรามสิ่งที่เป็นก้าสิ ให้จิตทั้งเราได้เบาขึ้นไปโดยลาดับแล้วจะกลายเป็นของเบาขึ้นมาเวลานี้จิตกําลังหนักจะนั่งภาวนากนหนักเกิด ค, ความขี้เกียจชี้ค้านัวเจ็บนั่นปวดนี้บูเวล่ําเวลาคิดไปดเดือนปีนาทีวงไปหมดมันละเหมือนจะเข้าตแตงแกงละเหมือนก็จะเข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนจะถูกฆ่าถูกประหัดประหารเหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบ่อถ้าจะนั่งภาวนาน มันเกิดความทุกข์ความร้อนความลําบากไม่อยากจะทํานี่คือมันหนักมากอานีจิตถ้าจะพาภาวนายกไม่ขึ้ น, นเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระภาวนาําระจิตใจให้ตปราศจากความมุ่งสร้างมินไหวมันไม่อยากทํามันหนักอืดอาดเหนื่อยนายเนี่ยนี่มันหนักอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราพยายามตะเกียกตะกายพยายามบึกบึนหลายครั้งหลายผลเข้าไปผลก็ค่อยปรากฏขึ้นมา นันเราเรียกว่าทำเข้าแทรบถึงใจโดยลําดับลําดับแล้วจิตจะค่อยเบาตัวขึ้นมาเรื่อยทําความเพียนก็คองแขล่แกล้าก้าสติปัญญาก็ค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นกิเดลดค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปใจของเราค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นพองใสขึ้นมาโดยลําดับสติปัญญาก็ยิ่งมีความพยันเหมัอนเพียนที่จะคิดจะอ่านใจตองความภาคเพลียนทุกด้านดีต่างๆกันไปหมดนี่จิตเบาขึ้นมาแล้วเบาขึ้นโดยลําดับลำดับจนกระทั่งชำระได้หมด ที่นี้จะเรียกอะไรประเสริฐยิ่งกว่าปิดเจ้าอะไรมาเทียบเทียมจิตนี้ไม่มีเลยเนี่ยที่ว่าเยี่ยมก็เยี่ยมที่สุดดีที่สุดก็คือกิจเลวที่สุดก็คือกิตเหมือ่อนชำระได้แล้วดีที่สุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนในโลกนี้อืเป็นแก้วสารพันธนะุ์อยู่ภายในจิตใจนี่ศาสนามีความจําเป็นอย่างนี้มีศาสนาเท่านั้น ที่จะฉุดลากเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยฉุดลากจิตใจออกจากหล่มลึกของอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายให้พ้นตัวหลุดลอยออกมาได้เป็นลำานับลำนับไม่มีสิ่งอื่นใดพุดทธังสนางกะฉามิผู้ได้ปฏิบัติทำทั้งหลายจนมีความทราบซึ่งพระธรรมแล้วจึงเข้าถึงใจทำมัาางสนางกะฉามิถึงใจ ทั้งครั้งสนา่งกระฉามิถึงใจอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ปรากฏว่าสถิตยอยู่ที่ใจนี่เลยถึงใจตลอดเวลาคำว่าพระพุทธเจ้านิพผานไปเป็นเวลานานเท่านั้นเทน่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยท่านไม่สนใจให้เสียเว ล, เวลาเพราะธรรมันแท้จริงคืออะไรพุทธะอันแท้จริงคืออะไรสังขารแท้จริงคืออะไ ร, รคือธรรม ท, ที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ภายในจิตเรากิตท่านนี้เท่านั้นธรรมกับใจนี้เป็นฉั้นใด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 พุท ธ, ธะของเรากับพุทธะมธูเจ้าจะไม่แยกจากกันเลยฉันใดชันนั้นเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะพูดให้ให้ยืดยาวยิ่งกว่านั้นเพราะมันเล่มันตะคุบเงาเอาตัวจริงก็คือพุท ธ, ธะอันนี้ชันใดพุท ธ, ธะมธูเจ้าฉันนั้นพุท ธ, ธะอันนี้จะอันตราฐานศูนย์ไปไหมนี่มันรู้อยู่ในตัวแล้วแล้วมูรติเจ้าเป็นยังไงมันก็หมดปัญหาธรรมะแท้จริงคืออะไรมันก็อยู่ที่จาจนี้เป็นอันเดียวกันหมด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 โลกทั้งโลกจะมีความสงบร่มเย็นก็เพราะใจที่รับการอบรมซึ่งเป็นผู้พาดำเนินงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนร่างกายและส่วนวาจาที่เอียงไปทางไหนก็ดิ้นพิแพท้ทางไหนสอบออกมาจากใจผู้บงการวงการถูกหรือผิดอิทธิเลบรับการรลมอย่างไรบ้างการแสดงออกจะเป็นไปตามความอบรมถ้าไม่ได้อบรมไม่มีเหตุมีผลมีทฤเฎีเต็มหัวใจแล้ว ใจตรงนี้จะพาให้ร้อนมากมายกลายกองยิ่งเนียมนานวาสนามากเท่าไหร่ยิ่งพาคนอื่นให้เดือดร้อนมากมายกลายกองเพราะใจดวงนี้โลกที่ร้อนร้อนเพราะใจดวงนี้พาให้ร้อนใจดวงนี้กระสับกระสายละสัมละสายหาที่ยึด ท, ที่ถือไม่ได้อะไรก็ว่าจะดีอะไรก็ว่าก็ดีดีไม่ใเกิดความโลโมทุโลกโมโทโซโไปจะทุกอย่งางทุกอย่างจะกว้านเอาโลกมาอยู่แนอำนาของตัวเองทั้งๆ ท, ที่อํานาจของเราไม่มีเลยมีแต่ความรุ่มร้อนเต็มหัวใจ ก็จะเป็นผู้ครองอำนาจในโลกเนี่ยโลกจึงได้ร้อนเพราะเจ้าอำนาจของกิเลสนี้มันเป็นตัวร้อนอยู่ภายในจิตโลกจะหาความลมเย็นไปได้พราะอำนาจกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากเพราะอำนาจแห่งธรรมเท่านั้นเพรา ะ, ะนั่นจึงควรปฏิบัติธรรมให้มีความลเย็นภายในจิตใจของเราถึงโลกจะร้อนก็าตามถ้าใจของเรามีเย็นอยู่แล้วเราก็สบายอยู่ในธรามกลางแห่งความร้อ น, นขอให้ทุกท่านนาไปพิจารณาให้มีความเข้มแข็ง เอาให้ดีอิจใจไม่มีปัจช้าอย่าลืมข้อนี้ก็แล้วกันเคยสมมติกันมานมนานแล้วว่ะตายตายนั่นเอาให้เห็นความจริงของความตายเอาให้ถึงจิตนั่นอ่ะจิตตายจริงเหรอพอถึงนี้แล้วมันก็หมดลงหนองอ้ออ๋อเป็นอย่างนี้เองถ้ามาเอาละเอัง